สามเณรคนหนึ่งนะมาฝึกปฏิบัติกรุงหลวงปูด่ดูลอัตุโลเพิ่งบวชแล้วก็ไม่มีประสบการณ์การปฏิบัติหลวงปู่ท่านก็แนะนำการภาวนาโดยใช้พุโทโธททีแรกเน่์ก็ทำไปก็ฟุ้งซ่านแต่ว่าพอภาวนาพุโทโธไปได้สักระยะหนึ่งคืออาจจะไม่ได้ทำครั้งเดียวแต่ทำหลายครั้ง ไม่นานก็จิตก็สงบพอจิตสงบ ก, ก็จู่ๆก็เห็นพญางูนะตัวดำมเมื่อเมื่อเลยมันชูคอแล้วก็มันขู่ฟู่ๆนะอยู่ใกลมากเนี่ยก็ตกใจรืงตาก็มันก็หายไปก็รวมเป็นนิมิตนะพอภาวนาใหม่ หลับตาตามลงหปใจพวนาพุโทโธพอจิตสงบงูมันก็โผล่มาอีกเนยก็ตกใจกลัวก็เลยดืมตาแล้วก็งูก็หายไปก็ไปเล่าไปปรึกษาให้หลวงปู่ดูลฟังหลวงปู่ท่านก็แนะนำนะว่าในเรื่อง การปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยแ ม, ม้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นก็จะไปสนใจให้ดูใจให้ดูใจอย่างเดียวเวลาภาวนานมีความกลัวเกิดขึ้นก็จะไปคิดถึงสิ่งที่ทำให้กลัวให้มาดูใจเท่านั้นพอเดี๋ยวความกลัวมก็ดับไปอันนี้ก็เป็นหลักปฏิบัติที่ ใช้ไดนะ้กับนักภาวนาไม่ว่าจะมีมนิมิตหรือไม่หรือไม่ว่านิมิตนั่นจะน่ากลัวหรือว่าน่ายินดีนะ น, นิมิตเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งขึ้นนะอย่างที่หลวงปู่ดูลเคยว่าเนี่ยการเห็นเนี่ยนะการเห็นนิมิตเนี่ยจริงแต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันไม่จริงถึีงแต่ว่าไม่ได้เห็นด้วยตานะเห็นด้วยใจ แต่ว่าสิ่งที่เห็นเนี่ยมันไม่จริงก็คือว่ามันเกิดจากการปรุงแต่งไม่ว่าไม่แต่ไม่แต่นิมิตนนะะอารมณ์ทั้งหลายต่างๆที่เกิดขึ้นนะเมื่อเมื่อมันเกิดอย่างไรก็ตามเนี่ยก็สิ่งที่ต้องทำคือดูดดเฉยๆนะแต่อารมณ์นี้เราก็รู้แตามันเกิดที่ใจแต่ว่าเวลามีนิมิต มันดูมันเป็นสิ่งนอกตัวพอเห็นก็จิตก็พุ่งออกไปเลยนะตอนนั้นแหละเป็นเป็นช่วงที่เป็นจุดอ่อนเพราะว่าจิตมันไม่มีสติกำกับแล้วอะไรแล้วก็เกิดขึ้นได้ความกลัวความกโกรธก็สามารถจะเข้ามาเล่นงานจิตใจได้เพราะว่าไม่มีสติ เป็นเครื่องรักษาใจแล้วมันก็ปล่อยกาัดนักมวยเขาปล่อยกานี่มันก็อันตรายแล้วเมื่อจิตมาส่งออกนอกไม่มีสติโดยเพราะเรื่องความกลัวเนี่ ย, ยอันนี้เป็นอที่ท่านผู้กำเนิดนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากคนแอะกลัวแล้วก็ตามจิตมันก็จะส่งออกนอกไปที่สิ่งที่กลัวจะเป็นงูเหี้ยเกี้ย ว, ข, ยวขอก็ตาม คือเป็นสิ่งที่ปรุงจิตปรุงแต่งขึ้นมาเช่นผีเนี่ยนะอยู่ที่กุติแล้วก็มันกลัวปรุงแต่งว่ามีผีมีสางนะอยู่ในห้องน้างํามึงแล้วหรือว่าอยู่นอกกุติมึงแล้วติดตอนนั้นนี่มันมันลืมตัวนะมันลืมนะลืมใจจิตมันไปเพ่งออกไปเพ่ง ออกไปข้างนอกในที่จริงแล้วในภาวะนั้จิตนั้นก็ปรุงแต่งนะจดจ่อยอยู่ก็เรื่องที่กลัวแล้วก็ที่จริงสิ่งที่กลัวนะมันไม่ใช่สิ่งนอกตัวเลยนะมันเป็นสิ่ ง, ม, ดดงมันเป็นความคิดต่างหากมันเป็นความคิดคนเราไม่ได้กลัวผีนะเต่จริงกลัวความคิดนะกลัวความคิดมากกว่ากลัวความพิเกีก่ยวกผีหรือว่า สัตว์ร้ายหรือว่าคิดตัวมีคนร้ายคนไม่หวังดีคนประสงค์ร้ายเนะี่ยมันไม่ได้มีอยู่จริงนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่จิตปรุงแต่งหรือคิดขึ้นมาเองไอ้ที่มันคิดได้ก็เพราะนะไม่มีสตินะเพราะลืมตัวแต่ทันทีทีนะ่กลับมาดูจิตนะ พอกลับมาดูจิตเนี่ยนะกลับมาดูความกลัวให้ความกลัวก็หายไปความกลัวมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าจิตไม่ไม่มีเครื่องรักษานะเหมือนกับบ้านที่ไม่มีคนเฝ้าหรือว่ากำแพงเมืองที่ไม่มีหรือประตูเมืองที่ไม่มีทหารยามนะคอยดูแลนะ มันก็เข้าไปจู่โจมเล่นงานจิตใจได้จะเป็นความกลัวความโกรธแล้วก็ตามแต่ทันทีที่กลับมาดูใจนยหรือว่าไม่เห็นความกลัวนั่นนะไม่เห็นความโกรธมันก็มันก็หนีไปเหมือนกับขโมยนะที่มันแอบเข้ามาตอนเจ้าของบ้านเผลอแต่พอเจ้าของบ้านรู้หันไปสบตามันนะมันก็อาย ละอายหรือมันอาจจะกลัวได้ซ้ำมันก็หนีไปที่ตรวงพู่ท่านพูดไปเนไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามนะอย่าไปสนใจให้มาดูใจอันนี้รวมถึงอย่างอื่นด้วยนะไม่ใช่เฉพาะนี้เช่ น, นมีเสียงดังเสียงดังกาลังภาวนาอยู่เสียงดังเนะี่ยเกิดความไม่พอใจกิดความมนอีกขึ้นมาตอนนั้นจิตมันส่งออกนอกแล้ว ส่งออกนอกไปที่เสียงนั้นมันก็เลยเปิดช่องให้ความโกรธเข้ามาเล่นงานจิตใจได้แต่พอเรากลับมาดูใจนะปุ๊บเนี่ยความโกรธมันก็ก็เลือนหายไปความเจ็ความปวดก็เหมือนกันความปวดความเมื่อยขณะที่ภาวนาเนี่ยเออสังเกตว่าเนี่ยใจเราก็ มันก็ไปปักตึงอยู่ที่ความปวดนั่นแหละใส่แล้วในภาวะเช่นนั้นเนี่ยก็ไม่รู้ตัวนะว่าใจกำลังหุดหงิดใจกำลังบนโอดโอยติโพยติพายหรือว่ามีอาการผักใสมันเกิดขึ้นได้เพราะใจไม่มีนะสติกำกับไอนะอารมณ์เหล่านี้ก็เข้ามาจู่โจมครอบงำจิตใจได้ แต่พอกลับมาดูใจนะกลับมาดูใจไอ้อากาเรเลานั้นก็หายไปความปวดก็ยังมีอยู่ความเมื่อยก็ยังมีอยู่หรือความคันก็ยังมีอยู่แต่ว่ามันอยู่ที่กายมันอาจอยู่ที่แขนที่ขาแต่ว่าใจไม่ทุกข์ใจเป็นปกติได้ธรรมชาติของศัตรูที่ต้องการจะ บุกเข้าไปในเมืองเนี่ยมันก็ต้องหาทางหาทางพยายามล่อให้ทหารยามเนี่ยไปสนใจอย่างอื่นอาจจะส่งเสียงอาจจะจุดไฟนะจุดไฟไหม้ข้างนอกเมืองทหารยามก็ตกใจไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะหรือว่าอาจจะทำเรื่องชกต่อยกันนะคนก็ทหารยามก็ไปดูว่าเกิดอะไร ตอนนั้นก็ลืมทําหน้าที่เฝ้าเมืองเฝ้าประตูนะมันก็ผู้ลายหรือว่าศัตรูเข้าไปได้อย่างที่เราเห็นในหนังนะต้องพยายามดึงความสนใจของทหารยามออกไปจะได้ละทิ้งหน้าที่นะหน้าที่ก็คือการเฝ้าประตูเมืองเนะอาไปดูว่ามีอะไรมีไฟไหม้มีหรือว่ามีการ ทะเลาะเบกแว้งกันหรือมีเสียงกุกกักอยู่ไปดู้ะมีอะไรตอนนั้นแหละประตูเมืองไม่มีใครเฝ้าแล้วผู้ร้ายสัตว์เข้าไปได้ในเวลาจิของเรานะมันไปจดมันไปส่งจิตออกนอกก็อย่างนั้นแหละก็ทำนอนเดียวกันพอส่งจิตออกนอกปุ๊บมีไม่ว่าสิ่งที่สนใจนั่นจะเป็นอะไรก็ตามเป็นเสียงนะ เป็นกลิ่นหรือว่าเป็นเวทนาเป็นนิมิตเนี่ยตอนนั้นแหละจิตมันไม่มีสติเฝ้าไม่มีผู้รักษาในะความกลัวความโกรธ ค, ความทุกข์ก็ได้ช่องถือโอกาสเข้ามาเล่นงานติดใจใไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นนะก็ให้ดูใจเท่านั้นเพียงพอยอย่างที่หลวงปูด่ดูลนท่านว่าไว้ หวงพ่อเขียกระเพือสมัยเห็นเห็นเนีย่ยเข้าไปเป็นเป็นเนี่ยนะมันก็เกิดจากการที่มันมันเข้าไปยึดนะด้วยความหลงเนะีอะไรเกิดขึ้นถ้าเห็นเนี่ยมันก็จะเกิดความรู้ขึ้นแต่เข้าไปเป็นเนี่ยมันจะกลายเป็นความหลงเช่นเป็นผู้โกรธเป็นผู้ปวดนะตอนหน้าหลงแล้ว เมื่อจมเข้าไปในอารมณ์นะเมื่อจมไหนเข้าไปในอารมณ์นะจะเป็นอารมณ์แล้วก็ตามดีใจเสียใจยินดียินร้ายนะตอนนั้นเนี่ยมันหลงแล้วแต่ถ้าเห็นเนี่ยมันก็จะรู้นะเมื่อรู้แล้วเนี่ยอารมณ์นั้นก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าเราใส่ใจอะไรเวลามีนิมิตเกิดขึ้นเนี่ยก็จะมันีะเข้าไปเป็นนิมิตนั่นกน็มีนะเช่นเกิดความยินดีเนะี่ย โดยปิติขึ้นมาเนี่ยเวลามีปิติเกิดขึ้นก็ให้ดูมันเฉยเฉนะเห็นมันเฉยเฉยไม่เข้าไปเป็นพนะอเข้าไปเป็นเมื่อไหร่นี่ก็จิตก็ลืมตัวแล้วคนเราไม่ได้ลืมตัวเพราะความทุกข์อย่างเดียวนะ น, นะบางทก็ลืมตัวได้เพราะความสุขด้วยให้ให้มีสติตั้งมั่นนะเป็นอให้เห็นอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้เห็นที่ไหนก็มาเห็นที่จิตที่ใจนั่นแหละ มาดูใจแต่ว่าไปแล้วนี่ไม่ใช่แต่การภาวนาเวลาปิดตาหรือว่าเวลาปฏิบัติในรูปแบบเช่นเดินจงกรมสร้างจังหวะเท่านั้นนะที่ให้ให้มาดูใจเนี่ยเวลาทำกิจการงานต่างๆก็เหมือนกันหรือว่าในชีวิตประจำวันนะมันจะมีผัสสะเข้ามากระทบแล้วก็ไม่ว่า ชอบใจไม่ชอบใจเนี่ยจิตมันก็จะพุ่งออกนอกได้ง่ายมากหรือพุ่งออกไปทันทีเลยเช่นถ้าถูกใจก็อยากได้นี่ยอยากครอบครองหรือว่าอยากให้มันอยู่นานๆแต่ถ้าไม่ชอบจิตมันก็ออกไปเพื่อผักใสนะเพื่อต่อสู้หรือว่ากดขม่ม แต้ตอนนั้นก็เช่นเดียวกันนะจิตก็จะไม่มีสติเนี่ยคอยรักษาละคอยป้องกันละไอ้ความทุกข์ก็เข้ามาได้นะเปิดช่องมันมีช่องอมันมีช่องบวมขึ้นมาไม่ว่าทำอะไรเนี่ยก็อย่าลืมกลับมาดูใจนะเวลากินอาหารอร่อยเออมันอร่อย นะก็อยไปเพลินกับอาหารเดี๋ยวให้มาดูใจว่าตอนนั้นใจรู้สึกอย่างไรเวลาฟังคนพูดคุยนะเกิดความสนุกเกิดความตื่นเต้นก็อย่าลืมกลับมาดูใจนะเวลามีเสียงดังหรือว่ามีการทะเลาะเบาแวงกันหรือมีการถกเถียงกันนะไม่ถูกใจเราก็อย่าลืมกลับมาดูใจว่าตอนนั้นมีความขุ่นมัว อะไรไหมนะไอ้ตาหูจมูลิ้นกายเนี่ยมันมีหน้าที่รับรู้สิ่งภายนอกส่วนใจเนี่ยมันหน้าที่สําคัญคือกลับมาดูด้านในนะมันแยกหน้าที่มันแบ่งหน้าที่คนละส่วนนะตาหูจมูลิ้นกายใจเนี่ยธรรมชาติให้มาเพื่อทําหน้าที่กันแบ่งแยกหน้าที่เป็นคนละส่วนตาหูจมูลิ้นกายก็ดู สิ่งภายนอกสิ่งนอกตัวเพราะว่าอันตรายที่มันอยู่ข้างนอกก็เยอะก็ต้องคอยระมัดระวังแต่อันตรายมันไม่ได้อยู่ข้างนอกอย่างแต่ายมันอยู่ข้างในด้วยคือจิตที่ปรุงแต่งหรือว่าอารมณ์ต่างๆที่เกาะกลุ่มจิตใจนะอันนี้แหละเป็นหน้าที่ของของสติที่เข้ามาดูมาดูมาสอดส่องนะสอดส่องใจ กลเข้ามาดูด้านในว่ามีอะไรเป็นอันตรายหรือเปล่าแต่คนก็ไม่ค่อยใช้สติมาทำงานนี้หรือไม่ค่อยใช้ใจนี้มาดูใจมีอะไรก็นะจิตมันก็แล่นออกนอกหมดมันก็ทำให้เกิดอันตรายเรียกอันตรายที่ปกปิดนะครูเจ้าตรัอันตรายเปิดอันตรายที่ปกปิดอันตรายที่ปกปิดก็คือพวกอารมณ์พวกนี้แหละ ตัณหามนาทิทีิเนี่ยความถือตัวเข้ามาสร้างความช่วยแก่จิตใจได้ต้องฝึกนิสัยนี่ไวน้นะนิสัยที่ไม่ใช่สงจิตออกนอกอย่างเดียวให้นิสัยกลับมาดูใจนะไม่ว่ามีผัสสะอะไรเกิดขึ้นก็ตามไม่ว่าจะมาในรูปไหนรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสนะรวมทั้งธรรมารมด้วยไอ้นิมิตเนี่ยก็เป็นธรรมารมอย่างหนึ่ง นะถ้าไปจดจ่อมันก็เสียท่าเหมือนกันอันนี้เป็นนิเป็นนิสยัยต้องฝึกเลยนะสำนักปฏิบัติธรรมรวมทั้งเวลาเกิดความทุกข์ด้วยนะเวลาเกิดความทุกข์เนี่ยโดยเพราะทุกข์ใจเนี่ยนะธรรมชาติของจิตเนี่ยหรือว่าธรรมชาติของอ น, นิสัยของเราเนี่ยมันจะส่งออกไปข้างนอกเลยแล้วก็ไปโทษข้างนอกไปโทษแดดโทษฝนไปโทษคนไปโทษอาหาร ไปโทษยุงนะก็าทำให้เราเป็นทุกข์นะแต่ไม่ได้กลับมาดูใจว่าเนี่ยมันไปไปซ้ำเติมหรือว่าเปิดช่อยความทุกข์เกิดขึ้นหรือเปล่านะบ่อยครั้งคนเรานี่ซ้ำเติมตัวเองนะนะเช่นยุงกัดเนี่ยที่จริงมันก็มันก็คันมันก็คันที่กายหรือว่าเจ็บที่กายแต่พอปล่อยให้ใจมันทุกข์ด้วยนะอันนี้แหละก็เรียกว่าซ้ำเติม ใจทุกข์ไวแล้วก็ไปยึดไปไปไปปักตึงอยู่ที่จิมไปปักตึงอยู่ที่ความเค้นเอาความความคันความปวดหรือไปปักตึงอยู่ที่เวทนาพอจะไปปักตึงอยู่เวทนานก็เกิดความยึดเด่นะว่ามันไม่ให้กายปวดนะมันเป็นความสกูปวดกูปว ด, ปวดพอกูปวดเมื่อไหร่นี่ใจใจทุกข์ทันทีเลยแต่ถ้ามันไม่มีไม่มีการไปไปยึด ก็กูปวดนะหรือไม่มีความสําคัญเมืม่อมากูปวดเนี่ยแใจมันไม่ทุกข์หรอกนะมันก็เห็นแต่ว่ากายปวดหรือว่าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานะพอไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานี่ใจมันทุกข์ทันทีแต่ถ้าไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเรานะั้นไม่ทุกข์นะมันก็เหมือนกับเราเห็นไฟไหมไหมไม้นะไม้เนี่ยมันถูกไฟไหมอยู่ข้างหน้าเราเนี่ยเราทุกข์ไหม เราเดือดร้อนไหมเราก็ไม่เดือดร้อนนะั่นนะเพราะว่าไม้นี่ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเออไม้เป็นของเราเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ก็เริ่มทุกข์ละเริ่มเศร้าเริ่มเสียใจหรือโกรธคือถ้าไปยึดว่าไม้เป็นตัวเรานี่ก็ยิ่งทุกข์เข้าไปใหญ่คนเราทำเหมือนกันนะจิตใจเราทํางั้นเนี่ยกับกายเวลากายปวดเนี่ยนะใจมันยึดว่า กายนี้เป็นเราเนี่ยมันก็เลยเราก็เลยปวดขึ้นมาเป็นผู้มีผู้ปวดเกิดขึ้นใจก็ทุกข์แต่ถ้าเราดูความดูกายที่ปวดมันก็เราดูไม้ที่กาลังถูกเผานะว่ามันไม่ใช่เราใจก็ไม่ทุกข์นะลองดูลองดูกายลองดูเวทนาแบบงนั้นดูบ้างว่าเออมันก็ไม่ใช่เรา อันนี้แหละที่หลวงพอ่อเอ็ใช่มว่าเห็นไม่เข้าไปเป็นเพราะเป็นนี่ก็คือเป็นเราไนะปยึดว่ามันเป็นเราไปยึดว่ากานี้เป็นเราไปย่อไปย่าเวทนานี้เป็นเราเป็นของเราอันนี้รวมถึงความโกรยความกลัวนะที่มันเกิดขึ้นกับใจด้วยแลนะ้วพอไปย่าเป็นเราเป็นของเรานี่มันทุกข์เลยนะแต่ถ้าเราเห็นมันเฉยๆนะ ความกลัวความกลัวเห็นมาเฉยๆเนี่ยตอนนั้นแหละที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเรามันก็เหมือนกับว่าเราเห็นกองไฟมันเผาอยู่ข้างหน้าแต่ว่าเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรแต่ถ้าหากว่าเข้าไปอยู่ในกองไฟเมื่อไหร่เนี่ยโอ้มันทุกข์เลยนะกองไฟน่าจะเปรียบได้กับความกลัวความโกรธนะมันมีอยู่แต่ว่าไม่ทาให้เราทุกข์ได้ หรือไม่ทำให้ใจทุกข์เพราะไม่ได้ไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะว่าสักแต่ว่าเห็นเฉยๆนั้นเป็นเรื่องของอารมณ์นะภายในแต่ว่าอารมณ์ภายนอกก็เป็นเรื่องที่ต้องสังวรไม่เหมือนกันนะว่าเวลามันเกิดขึ้นก็จะมัวแต่ส่งจิตออกนอกเดี๋ยวต้องกลับมาดูใจด้วยและโดยพอเวลาที่ใจเกิดความทุกข์ขึ้นมา อย่าอย่าปล่อยให้ใจนะส่งออกไปข้างนอกเพราะตอนนั้นเนี่ยจิตมันกำลังหาแพ้ละหาแพ้กำลังกล่าวโทษหาแพ้รับบาวกำลังหากำลังกล่าวโทษนะว่านโน่นว่านี่เนี่ยทำให้ฉันทุกข์แต่ที่จริงเนี่ยไป็นเพราใจเราต่างหานะไปจดจ่อมันทำไมนะหรือไปยึดมันทำไมนะหรือว่าไป เป็นเพราะลืมตัวใช่ไหมยยอย่างที่มีเรื่องเล่าเนี่ยว่าเนี่ยสมัยที่ท่านเวล่างท่านหนีมาจากทางภาคเหนือมาอที่กวางากวางกวางโจาเมืองกวางโจาชื่อวัดกวงเซียวมั้งตอนที่มาถึงใหม่ๆนี่ก็กาลังมีการบรรยายธรรมโดยอาจารย์ท่านหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงคนมาฟังเยอะมาก ฟังจนลุนออกจากห้องห้องประชุมออกมาลุนมาข้างนอกระหว่างนั้นเนี่ยก็มีคนที่ฟังอยู่ข้างนอกนี่ก็ไปเหลือเห็นธงธงมันปลิวนะมีคนนึงก็เพื่อธงมันไหวไอ้คนทีไอ้กายบอกไม่ใช่ธงไหวลมมันไหวต่างหากก็เถียงกันเถียงไปเถียงมาคนที่อยู่ ข, ข้างก็มาร่วมเถียงด้วย เ่กลายเป็นการจับกลุ่มแบ่งเป็นสองฝ่ายนะถกเถียงกันด้วยความด้วยด้วยที่แล้วก็ด้วยเหตุด้วยผลใน ต, ตอนกลังก็ช่างมีอารมณ์ธรรมดาการถกเถียงกันเนี่ยถึงเดิมก็มีอารมณ์เนะถียงอยู่น่นแหละ ว, ว่าทงไหวหรือลมไหวนะไม่สนใจแล้วนะว่าอาจารย์ก็กำลังบรรยายเรื่องอะไรทั้งในนั้น อาจารย์ก็ว่าไปข้างนอกจับกลุ่มใหญ่เที่ยงกาลมไหวหรือทงไหวท่านเวลานั่งอยู่ตรงนั้นพอดีก็เลยพูดแทรกขึ้นมาว่าใจท่านต่างหากที่ไหวใจของพวกท่านต่างหากที่ไหวพอที่ในกลุ่มนั้นคนกลุ่มนั้นก็ได้สติเลยพอตอนนั้นนี่นะไปสนใจนะจิตมันส่งออกนอ ก, นอกไปที่ลมไปที่ไปที่ทงนะลืมดูใจตอนนั้นเนี่ยกำลัง กำลังโกรธกำลังโมโหแล้วนะเพราะการทุ่มเถียงทะเลาะ ก, กันให้คนส่วนใหญ่ไปอย่างนั้นนะคือว่าไปมัวแต่สนใจสิ่งนอกตัวยิ่งเป็นการถกเถียงกันเท่าไหร่นี่ไม่เป็นการถกเถียงกันทางความคิดก็ตามนะอาจจะไม่ทกเถียงกันเรื่องลมหรือว่าเรื่องทงนะถกเถียงกันเรื่องสังคมเรื่องอุดมการณนะ์ตอนนั้นมันก็เรียกว่าติดสงออกนอกนะ ลืมดูใจเทียงไปทําไมทงไหวหรือลมไหวในเมื่อใจนี้มันกาลังกระเพื่อมด้วยความโกรธด้วยความขุนมัวเริ่มพยายามสร้างนิสัยนี้ไว้นะนิสัยนี้นิสัยที่จะไม่ไม่มัวแต่ทรงกิรออกนอกแต่กลับมาดูใจอยู่เสมอนะยิ่งเพาะเวลาโดยเพาะเวลามีความทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะโกรธทุกข์เพราะกลัวทุกข์เพราะเศร้าทุกข์เพราะเสียใจอะไรเนี่ย ไอตอนนั้นจิตเนี่ยมันสองนอกไปเต็มที่เลยโือเพราเวลาโกรธเนี่ยมันจะโดยเพราเวลาโกรธแล้วกลัวเนี่ยนะมันจะมันจะไปอยู่ข้างนอกนะแล้วก็ไปโทษนะแล้วก็บางทีก็หาทางตอบโต้แก้แค้นเพราะว่าไปคิดว่าไอสิ่งภายนอกแล้วนะที่ทําให้ฉันทุกข์ที่ทําให้ฉันโกรธนั่นตอนนั้นแหละที่ทําให้ เกิดความลืมตัวนะลืมตัวมากๆเขาก็อันตรายเพราะว่าสามารถจะทําอะไรก็ได้ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะเช่นด่าเขาทําลายเข้าของหรือว่าทําร้ายเขานะและในหลังที่ทําร้ายเขานี่ก็ทำร้ายใจตัวเองด้วยนะจริงๆทำร้ายจิตใจตัวเองก่อนที่จะไปทำร้ายก็เลยซ้ําก็คือว่า ไปปล่อยให้ความโกรธนี้เผาล้นจิตใจนั่นเรียกเป็นการซ้ําเติมตัวเองตั้งแต่แรกบาคนเราก่อนที่ไปทําความทุวข์ให้กัใครเนี่ยมันทําความท่วย์ห้กับตัวเองก่อนนะเริ่มต้นโดยการนะไปปลุกเราหรือว่าไปสมฟนะืนไฟแห่งความโกรธนะให้มาเผาล้นจิตใจ พอจิตใจมันร้อนมันทนไม่ไหวมันก็เริ่มที่จะระบายความทุกข์ใสคนอื่นแล้วด้วยการด่านหรือว่าด้วยการทําร้ายเข้าของเขาหรือว่าทําร้ายตัวเขาอันไม่ว่าจะเป็นนักภาวนาก็ตามไม่ว่าทางที่ภาวนาก็ตามไม่ทางที่ดำเ น, นชีวิตจามาก็ตามเนี่ยเรื่องการดูใจเนี่ยกลับมาดูใจเนี่ยสําคัญมากต้องทายเป็นนิสัย อย่างที่พูดเมื่อวานเนี่ยว่าเวลามีอะไระเวลามีความทุกข์ก็๋ย่ามัวแต่บ่นนะอันนี้มันก็เป็นในการถ้ากลับมาดูใจเนี่ยนะมันก็ทำให้ในการที่จะบ่นนูน่นบ่นนี่เนี่ยมันน้อยลงเป็นเพราะไม่ดูใจ เ, เป็นเพราะไปโทษข้างนอกมันก็เลยไปบ่นหรืออดโอยนะการบ่นอดโอยก็คือการที่ ไปมองว่าไปโทษสิ่งภายนอกว่าทำให้เราทุกขนะ์ดินฟ้าอากาศคู่คนนะมแมลงนะเพราะว่าการบ่นลักษณะนั้นก็มันมักจะเกิดความโกรธนะโกรธแล้วก็พยายามโทษสิ่งนอกตัวว่าทำให้เราทุกขนะ์แล้วก็หมายที่จะถ้าทำแล้วไม่ได้ก็ก็ใช้วิธีการบน่น แต่ถ้าทำได้ก็จะลงมือลงไม้ลงมือนะทำไม่ได้ก็ได้แต่บน่นหรือว่าโวยวายหรือว่าต่อว่าต่อว่าต่อขานอันนั้นไม่ใช่วิสัยของนักปฏิบัติเพราะว่านักปฏิบัติก็ยอมรู้ดีว่าความทุกข์เนี่ยโดยเพาะทุกข์ใจเนี่ยนะมันก็เกิดจากใจที่ไม่มีสติกหนึ่งจึงอยู่ความทุกข์กายเนี่ยอาจจะเกิดจากคนอื่น อาจจะเกิดดินฟ้าอากาศจะเกิดจากมแมลงแต่ถ้ามีสติรักษาใจเนี่ยนะหรือว่าหมั่นดูหรือว่าดูใจเสมอเนี่ยมันก็ได้แตทุกกายมันไม่มีทางที่ใจจะทุกได้แต่เขาไม่มีสตินั่นแหละนะแต่ที่เห็นก็เขาไปเป็นนะมันก็เลยใจหรือใจก็เลยเป็นทุกข์ไปด้วยนั่นกลับมาดูใจดูใจอยู่เสมอเนี่ยเป็นเป็นเป็นนิสัยที่เราต้องสร้างเอาไว้ ทำสม่ำเสมอเริ่มจากการภาวนาก่อนแต่พอเมื่อภาวนาบ่อยๆฝึกนิสัยดูใจเนี่ยโดยควบคู่ไป ก, กับกับการดูกายด้วยนี่ต่อไปเวลาออกจากการภาวนาเป็ น, นชีวิตประจําวันมีอะไรมากระทบเกิดความไม่พอใจความหงหุดหงิดนี่แทนที่มันจะจิตมันจะพุ่งออกไปข้างนอกมก็กลับมาดูใจนะแล้วก็เมื่อมาดู เมือดูใจเนี่ยไอความอารมณ์ต่างที่เกิดขึ้นก็จะสงบไปได้ไอตวน า, วาการเห็นเนี่ยเป็นเรื่องของตาเนะการได้ยินเป็นเรื่องของหูนะส่วนใจหรือสตินี่มันมันมีหน้าที่ที่มาดูมาดูใจมาดูทำอารมณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่เข้าไปเป็น